ไม่พึงพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้นแน่วแน่ใจนี่มันฝึกได้ยากยากกว่าฝึกสิ่งใดทั้งหมดแต่เมื่อฝึกได้แล้วมันนำความสุขมาให้อย่างสูงทรง ถ้าเราไม่ฝึกขวนจิตใจนี่แล้วก็ไม่มีความสุขอืความสุขที่เป็นแกน่นเป็นสารไม่ได้พบความสุขชั่วคราวนี่ก็ยังว่าชั่วคราวมันไม่เป็นที่พอใจของคนแต่ว่าคนไม่รู้จักที่จะทําความสุขอันเป็นแก่นสารให้แก่ตนได้อย่างไร พบแต่ความสุขชั่วคราวก็เลยติดความสุขชั่วคราวนี้ไปเรื่อยๆไปอย่างนั้นแหละเน่เาที่สังเกตดูแล้วความจริงเน่ยพระพุทธเจ้าสอนแล้วแนะแนวทางแล้วแต่พุทธบริษัทไม่เอาใจใส่ไม่ได้ไขควรในคำสอนของพระองค์เพราะว่า คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีการบังคับให้นับถือให้ปฏิบัติตามสุดแล้วแต่ใครมีศรัทธามีปัญญามองเห็นว่าคำสอนของพระองค์เนี่ยเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติตามแท้เมื่อปฏิบัติได้แล้วจะเป็นถูกจะนำความถูกมาให้ถ้าผู้ใดพิจารณาเห็นด้วยปัญญาอย่างนี้ มันก็จึงพอใจลงมือประพฤติปฏิบัติตามดังนั้นแหละการฟังคำสอนของพระพุทธเจ้านะ่ะฟังแล้วถึงว่าไม่ควรที่จะยุติแล้วไปเลยไม่น้อมเข้าไปพิจารณาอย่างนี้นี่มันจะไม่ได้ผลเท่าที่ควรเลยการที่ การที่มันจะได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยกว็เพราะแล้วถือว่าคำสอนพุทธเจ้านีทุกบททุกบทมีคุณค่าต่อชีวิตของตนเป็นอย่างยิ่งตนจะมีความสุขตนจะพุ่งพ้นทุกข์ได้ก็เพราะปฏิบัติตามคำสอนของพุทธเจ้านี้แหละต้องคิดให้มันเห็นอย่างนั้น ด้วยตนเองแต่ละคนน่ะมันจึงจะเต็มใจประพฤติปฏิบัติตามไม่เช่นนั้นแล้วก็ตกเป็นท่าของตันหาอยู่อย่างนั้นแหละอันธรรมดาตัญหานี่ถ้าจิตนึกว่าจะปฏิบัติสินธรรมแล้วมันให้เกิดความเกียดคร้านนาน ล, ลิดเตศของตัญหาถ้าจิตล้อมไปในความสนุกสนานพเพลิดเพลิน ในการมคุณอย่างนี้ตัณหามันส่งเสริมมันให้เกิดความพอใจเป็นอย่างยิ่งเป็นอย่างนั้นแต่คนส่วนมากก็ไปหลงหมายาของตัณหาไม่ได้ยึดมั่นอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้ที่ยึดมั่นอยู่ในคำสอนพระพุทธเจ้าก็ไม่หลงหมายาของตัณหา ตั้งหน้าทำความเพียรเึกขอผลจิดตดวงนี้หละให้มันดีขึ้นไปโดยลำดับให้เราถือว่าการฝึกจกิตให้มันดีขึ้นไปโดยลำดับนี่เนะี่ยเป็นกิจที่ควรทำเป็นการงานที่ประเสริฐพราะเมื่อฝึกได้แล้วจะมีความสุขมาก จะไม่เป็นคนเจ้าทุกข์คนใดละเลยการควบคุมจิตเพื่จิตของตนคนนั้นจะเป็นคนเจ้าทุกข์ในภายหลังเพราะธรรมดาจิตเมื่อมันหลงแล้วนะ่ะมันยึดเอาทรพัพย์สิ่งได้มาถึงเข้ามันเอาท้งนั้นเนี่ยมันไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางเหมือนยังถุนักบ้านนั่นเนี่ย เมื่อมันเจออะไรมันกัดอันนั้นเลยเพราะตา ฟ, าฟ้าฟางหมดมองไม่เห็นชัดจิตใจก็เลื่อนลอยไปหมดเลยมีแต่ความดุร้ายอยู่ในใจเจออะไรคนก็ตามสัตว์ก็ตาเดินไปไปกัดทบกับกต้นไม้กัดต้นไม่นั่นแหละมันไม่มีสติมันระลึกอะไรไม่ได้เลย ไอ้จิตใจของคนเราก็เป็นเช่นนั้นแหละถ้าไม่ฝึกฝนนะสุดท้ามันคว้าได้อันใดมันก็ยึดเอาอันนั้นคว้าได้เรื่องที่น่ายินดีมันก็ยึดเอาเรื่องที่น่ายินดีนั่นมาไว้คว้าได้เรื่องที่น่ายินร้ายมันก็ยึดเอาเรื่องที่น่ายินร้ายนั่นมาใส่ใจไว้ไออารมณ์เหล่านี้ไม่ใช่เป็นของเย็นน่ะเป็นของร้อนนี่ เมื่อยึดเอาวนมาก็าเผาจิตให้เราร้อนกระวนกระวายเมื่อเป็นอารมณ์ที่น่ารักมันก็ดิ้นรนแสวงหาสิ่งที่ตนรักให้พอใจการสแสวงหาก็เป็นทุกข์อยู่แล้วเมื่อได้มามารักษาไว้อยู่ก็เป็นทุกข์กลัวเขาจะมารักมาจริงมายือแย่ง เมื่อเวลามันพัดพาคจา ก, กไปก็เป็นทุกข์เดือดร้อนอะไรมันสมบัติทั้งพวงในโลกนี้บุคคลมีความต้องการปรารถนายอมเป็นทุกข์ในสามการนี้ผู้มีปัญญาทั้งหลายได้พิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วท่านจึงเบื่อในความอยากความปรารถนานั้น ถ้าว่าเบื่อนายไม่ไม่ถึงคิดตุดก็เรียกว่าเบื่อนายในขั้นที่จะอาศัยตัณหา้ไปทำบาปไปฆ่าสัตลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรามกรามุส า, าว่าเต่มสุราเมเลยหรือว่าเป็นนักบวชก็ประพฤติผิดวิในของสงฆ์อันบุนี ถ้าผู้ที่มีตันหาบอบวางลงแล้วมันจะไม่ทำไม่ล้วงไปอย่างนั้นผู้ใดได้ละตันหาประเภทนี้ได้มาแล้วก็พิจารณาเห็นโทษของตันหาอันละเอียดเข้าไปกวัวนั้นตันหาที่มันพาท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกนี้ ถึงแม้ว่ามันจะอำนวยความสุขให้ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่บุคคลกระทำเพราะปรารถนาความสุขนั้นนั่นจึงได้ทำบุญขั้นพอหมดเขตของบุญนั่นแล้วความสุขนั้นก็หายไปชีวิตก็หมดไปตามกัน เป็นอยู่เนี่ยโลกสันนิวัตอันนี้นะ่ะตั้งแต่สามภพนี่ลงมาการ ม, มาภพรูปประภพอรูปประภพจิตวิญญาณใดจะไปเกิดในภพใดก็ตามแต่เมื่อมันหมดเขตของบุญกุศลในชั้นนั้นแล้วมันก็เคลื่อนไปหาที่เกิดใหม่ก็เป็นอย่างนี้แหละให้พากันพี่นาให้มันเห็น ดังนั้นพระศาสนาจึงได้ทรงสอนให้รู้แจ้งในสถานที่เกิดเหล่านี้แล้วอย่าไปปาถนาอย่าพอใจในการที่จะไปเกิดในถิ่นนั่นๆเราทำบุญกุศลทำความดีอะไรให้มุ่งความพ้นทุกข์โดยส่วนเดียวพอแล้วภาวนาก็ขอให้พ้นทุก ทำทานรักษาศีลก็ขอให้พ้นทุกข์เท่านั้นพอแล้วตั้งใจลงอย่างนั้นเมื่อตั้งใจลงอย่างนั้นแล้วบุญกุศลอันเกิดจากการให้ทานการรักษาศีลการภาวนาเหล่านี้มันทักตกแต่งให้มีความสุขพ้นจากความทุกข์ไปตามกําลังของบุญกุศลที่แต่และบุคคลกระทำ มันตกแต่งให้เองความสุขน่นนะไม่ต้องปรารถนามันก็ได้แต่มันก็ได้ความสุขคือได้ขอบเขตแห่งบุญผู้ใดต้องการความสุขมากก็ทําบุญกุศลให้มองมากเข้าไปผู้ใดต้องการความสุขมันเป็นแขนสารก็ภาวนาลงไปปรงขันห้าวางขันห้านี่ลงเมื่อหากว่าจิตหลุดจากขันห้านี้ออกได้แล้วก็ ได้ประสบความสุขอันเป็นแก่นสารที่ท่านกล่าวว่าพระนิพพานความสุขมันก็เป็นขั้นขั้นไปอย่างนี้แหละเมื่อบรรลุถึงความสุขอันเป็นแก่นสารคือพระนิพพานแล้วมันก็ไม่ต้องมาแสวงหาความสุขอีกต่อไปแล้วเพราะว่ามันเป็นยอดแห่งความสุข ไม่มีความสุขอื่นยิ่งไปกว่าและเป็นสุขที่ยั่งยืนไม่แปรผันไปตลอดอนันตการเพราะฉะนั้นพุทธบริษัทจึงไม่ควรพอใจอยู่แต่ในความสุขในสามภพดังกล่าวมานี่ <c oughs> การมาพบนี่แหละมันสำคัญมากมันเป็นเหยื่อล่อจิตให้หลง เอาซะจริงๆเนี่ยแล้วลองพิสูจน์ดูอ่ะเมื่อผูใ้ใดพิสูจน์ดูด้วยปัญญาแล้วมันก็น่าเบื่อมันก็ต้องลงความเห็นว่าน่าเบื่อจริงๆอเช่นอย่างความรักอย่างนี้นะก็ เ, เมื่อบุคคมีความรักใคร่ในรูปเสียงกลิ่นรสอันใดแล้วไปแสวงหารูปเสียงกลิ่น รสอันนั้นได้มาแล้วแทนที่จะเที่ยงยังยืนแทนที่ว่ามันจะได้บริโภคไปเป็นถูกไปตลอดการไปใหม่แล้วได้สิ่งเหล่านั้นมาแล้วอาศัยมันไปไม่นานแน่อนหนึ่งมันก็วิบัติแปรพูวนแตกับไปจะเป็นรูปคนรูปสิ่งของ วัตถุของมีค่าอะไรก็ตามในที่สุดมันก็แตกดับย้อยยับไปเมื่อเวลามันจะแตกดับย่อยยับบุคคลผู้ผูกพันกับรูปเป็นต้นเหล่านั้นก็เป็นทุกข์เดือดร้อนก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละอ้กามมาพบนี่เมื่อได้มาแล้วก็ยินดีพอใจ ท่านอยู่นานไปแม่ของเรานี่ของเหล่านั้นยังไม่แตกดับมันชำรุดชุดโทมไปก็เบื่อนายดังที่เราจะเห็นได้อย่างคนที่มีผัวมีเมียมาใหม่ๆนั่นรักใครพอใจกันมากมายคันเมื่อนานไปนานไปรูปนี่มันชำรุดชุดโทมลงไปมองดูแล้วก็เบื่อหน่ายแล้ววะนี้ไม่ต้องการแล้วไปหารูปไหม อันนี้แหละเป็นเหตุให้คนเาราล่วงศิลข้อที่สามคือการเมสสมุชชาจาร์เนี่ยไปทำชู้จากผัวทำชู้จากเมียหมู่นี้นะมันก็ล้วนตั้งแต่มันของเหล่านั้นเป็นของไม่เที่ยงไยงงม่ยั่งยืนบุคคลก็ไม่รู้เท่าอยากจะได้ของใหม่ๆเรื่อยไปเช่นนี้ก็พิ็เหตุให้ทำบาป สร้างคำรรสร้างเวทใส่ตัวเองอยู่ไม่รู้จักจบแหละก็ไม่ใช่ตั้งแต่ข้อเดียวเท่านั้นแหละแม่ข้ออื่นๆก็เหมือนกันนั่นนั้นมันมันไม่หยุดอยู่ได้ดอกการทําความชั่วเนี่ยมันทําประเดิมไปเรื่อยๆอไปอย่างั้นการทําความดีมันก็เหมือนกันนะเมื่อทําความดีเท่านี้แล้ว ได้ผลเป็นสุขขนาดนี้ผู้มีปัญญาทั้งหลายก็ไม่จุใจไม่พอใจอยู่เท่านี้ก็พยายามทำให้มากไปกว่านี้แล้วก็เห็นผลแห่งการกระทำมากขึ้นโดยลำดับเมื่อการทำบุญกุศลมันนาสุขมาให้อย่างนี้ใครและ้จะไปเบื่อนายในบุญกุศลนั่นนะมันก็ทำเรื่อยไปแหละแต่ถ้าว่าทำลงไปแล้ว มันไม่เห็นผล <c oughs> มันไม่เห็นผลเท่าที่ควรอย่างนี้นะมันก็ไม่ทำกันแหละมันไม่เห็นผลเท่าที่ควรมันก็ไม่ทำกันเพราะว่าทำไปแล้วนี่มันไม่มีความสุขความสงบใจ เช่นนี้นะเราจะทำไปทำไมอ่ะไห น, นเพราะฉะนั้นทุกคนทำบุญกุศลทำความดีอะไรก็ต้องประเมินผลไปในตัวให้มันเห็นผลประจักษ์ในปัจจุบันนี้ทันทีมันจึงมีกำลังใจที่จะทำไปแม้การทำบุญทำทานให้วัตถุสิ่งของเป็นทาน เช่นนี้อันจะให้มันให้ผลอันเป็นรูปวัตถุหรือรู ป, ปรธรรมทันทีเลยนะี่มันให้ไม่ได้แต่มันให้ผลทาง จ, จิตใจอย่างที่เคยพูดมามบ่อยๆนั่นแหละไม่ทราบว่าผู้ฟังจะเห็นด้วยหรือไม่ก็ไม่รู้ก็แล้วแต่แหละอืมแล้วแต่ผู้จะพี่ณาเห็นแต่ผู้แสดงนี่ เห็นเห็นแจ้งประจักษ์จริงๆอืงการให้การบริจาคทานนี่ปรากฏว่ามีผลให้ปังเกิดในใจทำใจให้เบิกบานพองใสเ อ, อิบอิ่มอยู่ในการให้การบริจาคนั้นดังนั้นแหละคนเราเมื่อได้รับความสุขกัดจากการกระทำความดีอะไรแล้ว มันก็ต้องพอใจทำบ่อยๆไปวันนี้เมื่อมันเห็นผลแห่งความสุขเกิดจากการกระทำบุญกุศลแล้วมันก็เบื่อบาปแล้วบันนี้มันก็ไม่ปรารถนาที่จะทำบาป อ, อมันไปนอย่างนั้นเพราะว่าบาปนั้นเมื่อทำลงไปแล้วมันให้ผลในปัจจุบันก็ทำให้จิตเร่าร้อนจิตหมัวหมอง พับแขนใจสรพัดแหละสิ่งใดที่จะมันจะเป็นทุกข์ใจมันก็บรนดานให้เป็นไปอำนาจของบาปมันเป็นอย่างนั้นนั่นแหละพุทธทรษัทควรพากันฝึกผนจิตใจของตนให้มันสงบลงไปเมื่อมันสงบลงไปแล้วมันจะมองเห็นผลแห่งการปฏิบัติการกระทำความดีดังกล่าวมานั้นน่ะ แยมแจ้งด้วยตนเองโดยที่ไม่ต้องถามผู้อื่นให้ลำบากเลยภาวานาดูเอาก็เห็นได้เพราะว่าบุญกุศลมันเป็นนามธรรมไม่มีลุพร่างเหมือนอย่างเงินทองเข้าของเป็นธรรมารมเกิดขึ้นกับใจเมื่อใจเจตนาที่จะ ทำบุญกุศลแล้วก็ใช้กายทำใช้วาจาพูดไปในทางบุญทางกุศลนั้นทีนี้ผลมันก็มาปรากฏที่ใจผู้เจตนาดีนั่นแหละเมื่อได้ทําอะไรลงไปสําเร็จตามเป้าหมายลงไปแล้วก็มาพิจารณาดูการกระทํานั้นมันเป็นประโยชน์ทั้งตนเป็นประโยชน์ทั้งผู้อื้ออย่างนี้นะ มันก็ทำให้เกิดปีติปลื้มใจขึ้นมานี่แหละเหตุที่ใจมันได้บุญกุศลเป็นกำลังมันจึงไม่ชอบใจในบาปวะนี่เมื่อสิ่งใดเหตุอันใดจะมายั่วให้จิตตกไปในบาปอากุศลมันก็ไม่ไปเพราะเหตุว่ามันเห็นโทษแห่งบาปนั้นมาพอแรงเป็นอย่างนั้น <c oughs> ถ้าหากว่าบุคคลไม่ พิจารณาประเมินผลแห่งการกระทาอย่างว่ามานี่แล้วมันจะผลเปกกไม่หมดเจอบาปก็ทําบาปเจอบุญก็ทําบุญไปเพราะมันมันไม่เห็นโทษของบาปมันไม่เห็นคุณของบุญโดยแจมแจ้งอ่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างอันมันจะเจริญรู่รเรืองขึ้นไปได้ เราพอมาฝึกขวนใจนี่พยายามกําจัดกิเลสอันทุ้มห่อจิตใจอยู่นี้ให้เบาบางออกไปนั่นแหละเมื่อกิเลสนี่เบาบางออกไปเท่าไหร่ไอ้จิตมันก็เบิกบานขึ้นไปเท่านั้นบุญกุศลมันก็เจริญองอกงามขึ้นไปเท่านั้นเนี่ยไอ้ที่บุญกุศลมันเจริญไม่ได้ กเพราะมันมีกิเลสบาปธรรมหุ้มห่อจิตใจอยู่ลองสังเกตดูเช่นอย่างว่าเมื่อความโรคความตนีครอบงำจิตใจอยู่อย่างนี้แล้วมันจะมันก็บรรดาในผู้นั้นตนีแล้วไม่ให้ทานเลยให้ทานไม่ได้อย่างนี้แหละรันบุคคน้นผู้ที่หนาแน่ไปด้วยความโกรธกล่อยให้ จิตสร้างความโกรธครอบคร้ำตัวเองเขาตัวเองอยู่อย่างนั้นเน่ก็เลยกลายเป็นคนใจดำไปผู้เช่นนั้นจะไปรักษาศีลได้อย่างไรแล้วมันก็จะมียินดีแต่ในการฆ่าการเบียดเบียนนั่นแหละเรื่อยไปตนมีอำนาจเท่าไรก็ใช้อำนาจป่าเถื่ อ, น, อนนั้นคมเห็งคนอื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อน คนอื่นจะเป็นทุกข์เดือดร้อนอย่างไรไม่คำนึงอย่างนี้นะอํานาจแห่งโทสะพยาบาทมีแต่บันดาลให้คนเราเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นไม่มีที่จะ บ, บันดาลให้ทําความดีอะไรได้ไม่มีเลยเรลิกขึ้นชื่อว่าความโกรธความพยาบาทแล้วดังนั้นเนะี่ยเราต้องใช้ดุญยานินิ์พิจารณา ให้เห็นโทษแห่งความโกรดนี้ให้มากมากเลยทีเดียวแล้วก็มาเจริญเมตตาแทนการที่ความโกรธมันจะมาวางไปได้ก็เพราะมันเจริญเมตตาจนว่ามองเห็นมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนั่นเป็นพิมิตรเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันไม่ใช่เป็นศัตรู ของตนแต่อย่างใดจนให้มันเกิดความรู้สึกขึ้นในมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายดังกล่ามานั้นถ้ามันเกิดความรู้สึกขึ้นอย่างนั้นแล้วมันก็สังวนระวังในสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไม่เบียดเบียนเลยแต่ถ้าหากว่าไม่เจริญไม่ตายเ ก, กล้าอย่างว่านั้นแล้ว บุคคลย่อมเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นได้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละการผึกข้นจิตใจมันเจริญเมตตาให้เกิดขึ้นกรุณาโมนี่นึกว่าขอให้สรรพสัตว์ ท, ทั้งหลายเป็นถุกเป็นถูกทั่วหน้ากันอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอย่างนี้นะ ต่างคนต่างก็ให้รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยอันตรายทั้งสิ้นนั้นเถิดก็นึกคิดอย่างนี้แหละแล้วก็นึกให้กว่วงออกไปก็ได้เช่นนึกว่าสัตว์ทางหลายครัวต่ออัจฉรยาคือความตายเหมือนกันหมดแม้ตัวของเราเองก็กลัวต่ออัจฉริยะคือความตายเหมือนกัน เพราะฉะนั้นจึงไม่ปรารถนาที่จะให้ใครมาเบียดเบียนทําลายชีวิตของตนเองฉันใดสัตว์อื่นบุคคลอื่นก็เป็นเช่นนั้นว่านี้ไม่ปรารถนาที่จะให้ใครไปเบียดเบียนชีวิตของเขาเหมือนกันเมื่อเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วสมควรแล้วหรือที่เราจะไปเบียดเบียนทําทุกข์ให้แก่บุคคลอื่นและสัตว์อื่นอื กันเมื่อไปทำทุกข์ให้แก่บุคคลอื่นและจัตอื่นแล้วทุกนั้นมันก็ย้อนกลับมาหาผู้ทาเมื่อพี่นาเห็นด้วยปัญญาอย่างนี้แล้วมันก็ยิ่งละความใจดำอมอมหิตดังว่านั้นไปเรื่อยๆเลยไม่ปรารถนาที่จะเบียดเบียนใครมีแต่ความเอ็นดูกรุณาอยู่ในใจนี่แหละการปรับปรุงใจให้ดี บุญกุศลมันเจริญขึ้นไปได้ก็เพราะฝึกใจให้มีคุณธรรมอันเป็นคู่ปรับกับกิเลสดังกล่าวมานั่นน่ะเพราะว่าเมื่อบุคเมื่อบุคคลมามีเมตตากรุณาแก่กล้าขึ้นในใจแล้วความโกรธที่เคยสั่งสมมาแต่ก่อนนะั้มันก็เบาลงเบาลงแหละมันจะไม่หนาแน่นขึ้นต่อไปอีกมันไปนอย่างเี้ จริงๆนะข้อนี้ขอย้ำอีกทีว่าถ้าผูใ้ใดต้องการความสุขอย่างแท้จริงแล้วนะมันต้องหาอุบายกําจัดความโกรธออกจากหัวใจให้ได้ไม่เช่นนั้นแล้วก็หาความสุขไม่ได้เลยอันความโกรธที่มีอยู่ทุกคนเลยต่างแต่มากและน้อยกูกันเท่านั้นแหละ แม้น้อยก็อย่าให้มีเพราะน้อยนั่นแหละเมื่อไม่ละมันมันได้เชื้อมากเข้ามันก็มากขึ้นเองนะเหมือนอย่างไฟมันได้เชื้อนี่แหละมันก็ลุกโพรงขึ้นเรืยไปแหละเมื่อเชื้อไฟยังมีอยู่ตราบใดนะถ้าเชื้อมันหมดลงไปมหมดแล้วไฟมันก็ดับลงความโกรธก็เหมือนกันเนี่ยคือความไม่พอใจนั่นแหละ เป็นเชื้อไฟแห่งความโกรธเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อบุคคลมารู้ว่าสิ่งใดเป็นเชื้อของความโกรธแล้วก็มีสติสัมปชัญญะระมัดระวังะเรื่องใดที่เป็นที่เรื่องที่ไม่น่าพอใจกระทบกระทั่งมาเราต้องมีสติห้ามใจอย่าให้มันยินร้ายไปตามอืม ให้มันรู้เท่าทันว่านั่นคือเรื่องชั่วไม่ควรยึดถือเอามาถ้าไปยึดถือเอาเรื่องชั่วเข้ามาเผาตัวเองก็เดือดร้อนเท่านั้นแหละมี ส, สมติสัมปชัญญะเตือนตนได้อย่างนี้แล้วมันก็ไม่ยึดถือเลยมันก็ปล่อยวางเมื่อมันปล่อยวางจิตก็เป็นปกติมันก็ไม่ยินร้ายไปในอารมณ์นั้นๆไ่เรื่องนั้นๆั่อ ความโกรธมันก็เกิดไม่ได้เมื่อมันเชื่อมันดับไปเป็นอย่างนั้นอย่าไปนิ่งนอนใจว่าเรามีความโกรธนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกอย่างนี้นะโอ้ไม่ถูกเมื่อมันสะสมเชื่อมันไวแล้วมันมีเหตุภายนอกมากระทบเข้ามันก็ความโกรธนะั้นมันก็มีกําลังแรงกล้าขึ้นไปเรื่อยๆแหละ เหมือนอย่างไฟอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละดังนั้นในการอบรมจิตการผึกจิตให้เข้าถึงความสงบเนี่ยการเจริญปัญญาเนี่ยจึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะต้องทำไม่เช่นนั้นเราก็ไม่ได้พบกับความสุขอันเป็นแก่นสารจะได้พบแต่ความสุขอันจอมปลอมเท่านั้นเองเนะ อย่างเช่นคนเราเมื่อเวลาความโกรธมันไม่เกิดขึ้นก็ใจดียิ้มแย้มแจ่มใสทำอะไรพูดอะไรก็รู้สึกว่านิ่มนวลอ่อนโยนดีอย่างนี้แหละในเวลานั้นรู้สึกว่ามีความสุขสบายใจแหละวันนี้เมื่อเวลามีใครมากระทบกระทั่งเขาเกิดความไม่พอใจขึ้นมาระงับความไม่พอใจไม่ได้ ก็กลายเป็นความโกรธความชุนเฉียวอย่างแรงขึ้นมาคราวนั้นจะรู้ได้ว่าจิตใจหาความสุขไม่ได้เลยร้อนหมดทั้งกายทั้งใจเลยทีเดียวมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละให้าพามิจาให้เห็นโทษแห่งความโกรธเหล่านี้ในปัจจุบันนี่แหละไม่ต้องไปเพ่งเลงไปถึงชาติหน้าแต่อย่างใด เพราะว่าชาติหน้านั้นก็อาศัยชาติปัจจุบันนี้แหละเมื่อปัจจุบันนี้ตนสั่งสมกรรมกิเลสอะไรไว้กรรมกิเลสอันนั้นแหลรมันก็นำไปตกแต่งให้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ในโลกหน้านั่นนะต่อไปอีกดังนั้นไม่จำเป็นต้องเพ่งเล็งไปถึงโลกหน้าเรามาดูจิตใจนี่นะถ้าหากว่าชำระกิเลสเหล่านี้ให้เบาบางออกไปจิตใจไปได้ออกจากจิตใจไปได้เท่าไหร่ เมื่อความสุขมันก็ปรากฏขึ้นในปัจจุบันนี่แหละความเบิกบานใจจิตใจก็ผ่องใสฮันเมื่อจิตใจผ่องใสได้อยู่ในโลกนี้แล้วละโลกนี้ไปสู่โลกหน้ามันก็ผ่องใสเมื่อจิตใจเป็นสุขสบายอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วเมื่อมีความสุขสบายไปจนตลอดถึงหมดลมหายใจเข้าออกอย่างนี้นะไปโลกหน้ามันก็สุขสบายไป จิตดวงเดียวนี้ไปเกิดในโลกหน้าก็ดีจิตดวงเ ด, เดียวนี้เข้าสู่นิพพานก็ดีไม่ใช่หลายดวงอะ่ะดังนั้นอะ่ะก็จึงมาเพ่งฝึกพ้นจิตสอนจิตดวงนี้ให้ได้ทีแรกก็สอนให้มันส ง, งบอย่างนี้นะเมื่อมันยังไม่ส ง, งบกระยับพึ่งไปคิดไปพิจารณา ก็พยายามฝึกเพ่งจิตนี่เพ่งเพ่งความรู้สึกเนี่ยให้เข้าถึงความสงบซะก่อนทำอย่างไรมันจะสงบเราก็ทำเลยเพ่งเข้าไปภายในและอย่างนี้จิตใจมันจะสงบไม่ได้เลยอันนี้พูดเอาอย่างลัดเลยแหละ อ, อการเจริญกรรมฐานใดๆมันต้องอาศัยการเพ่งนะให้เข้าใจอาศัยการเพ่งจ้องดูกรรมฐานอ น, นั้นให้มันเห็นแจ้งชัดขึ้นมาในใจอย่างนี้นะอย่างเช่นจะพิเ จ, จริญกายยัตาสติกรรมฐานอย่างนี้นะก็ เ, ออเพ่งกายนี้เป็นอารมณ์เพ่งเข้าไปภายใน จนว่าเกิดอุกขานิมิตจนมองเห็นอวัยวะร่างกายน้อยใหญ่ภายในถ้าไม่เห็นมากก็เห็นน้อยเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งเห็นกระดูกโครงกระดูกสันหลังกระดูกสีโครงโบหรือเห็นกระโหลกศีตะหรือว่าเห็น ตับเห็นไตเห็นไตเห็นพุงเห็นปอดเห็นหัวใจหรือว่าเห็นน้ำเลือดน้ำเลืองไหลอยู่ในร่างกายอันนี้เพ่งเข้าไปดูถึงอุจาระปัสวะนูน่นมันมีอะไรละ่ะเป็นของสะอาดนะเ น, นีมีแต่ของสกปรกโส ม, ม อยู่ภายในร่างกายอันนี้โดยมีหนังหุ้มอยู่เฉยๆหรอกมันจึงไม่แสดงอาการแห่งความสุข ก, ก็ปลกโสมมออกมาก็เป็นความจริงนี่อย่างนี้เราเอาความจริงมาพูดสู่กันฟังถ้าหาก็ผู้ที่เห็นโทษของราคะตัณหา จริงๆแล้วอย่างนี้เนะี่ยมันก็จําเป็นแหละต้องเพ่งร่างกายนี่ให้เห็นตามความเป็นจริงจิตนี่มันจึงจะยอมคลายความรักความใคร่อะไรออกมาได้มันเป็นอย่างนั้นถ้ามันยังเห็นว่าสวยว่างามอยู่ตราบใดแล้วมันก็จะคลายความรักความใคร่นี่ไม่ได้เลยอันที่มนุษย์มัน ผูกพันอยู่ในความรักความใคร่ไม่ลืมหูไม่ลืมหูลืมตาโมนี่มันก็ร่วนตั้งแต่มันไม่ได้เพ่งดูรูปที่ตนรักตนใคร่ตนพอใจนั้นเลยมองดูตั้งแต่เขาประดับตกแต่งภายนอกนี่ธ น, นาก็พอใจแล้วกำหนัดยินดีแล้ว ไอ้เครื่องประดับทั้งหลายเหล่านั้นก็ทำด้วยโลหะธาตุซึ่งมีอยู่ในโลกนี่แล้วมันก็สํารุดทุดทรมแตกดับลงไปสู่ดินของเก่านั่นแหละเงินทองแก้วแหวนทองคําธรรมชาติอะไรอะไรก็ดีมันต้องมีอันสูญอันหายไปอยู่ น, ะนานไปนานไปนะถ้ามันไม่สูญไม่หายล่ะ มันก็กองผนึนดนึกที่ตั้งแต่นมนานกาเลมาไอคนเรามันสะสมเงินทองเข้าของเรานี่ทุกยุคทุกสมัยเลยทีเดียวแล้วสมบัติที่มนุษย์สะสมอุปกรณ์นั้นไปในหมดบนี่นั่นแหละพิจารณาให้มันเห็นมันก็สาบสูญลงไปกับดินกับน้ํานี่แหละจะไปไหนสาบสูนไปอย่างร่างกายนี้เองเนี่ยอืม ก็เมื่อเพ่งดูให้ละเอียดที่ทั่วนลงไปอย่างนี้แล้วมันจึงจะได้เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมาเป็นอย่างนั้นอย่าไปกลัวว่าถ้าหากว่าเพ่งอตุภะเข า, าบ่อยๆแล้วความรักมันจะจืดสืดไปมันจะไม่มีรสชาติในชีวิตนี้อย่าไปเข้าใจผิดอย่างนั้น ให้มันจืดชืดไปนั่นแหละความรักนะมันจะเป็นเมื่อรสแห่งความรักมันจืดชืดไปมัน ง, งับไปรสแห่งความสงบมันก็เกิดขึ้นมาแทนรสแห่งความสงบนั้นวิเศษกว่ารสแห่งความรักนั่นอีกเพราะเหตุว่าเมื่อมันสงบแล้วมันไม่อยากได้อะไรนี่ น, นั่นเองเมื่อมันไม่อยากได้อะไรแล้วมันก็เป็นสุขไม่ใช่หรือคนเราอ่ะ แต่ถ้าความรักตี่ไปสะสมมันมากเท่าไรมันยิ่งเกิดความอยากได้ขึ้นมากเท่านั้นเมื่อความอยากมีมีมากเท่าไรแล้วการแสวงหาการทำการงานมันก็ไม่ได้หยุดได้ยังหลังสู้ผ้าหน้าสู้ดินกำพ้นทนแดดอยู่อย่างนั้นแล้วอา้าวหาเงินในเมืองไทยไม่ถนัด เกิดขออนุญาตเข้าไปทำงานในเมืองอื่นเมืองประเทศอื่นเข้าไปก็ไปถูกที่เขามีปัญญาเหนือกว่าตนต้มเอาซะรอกเอาเงินเอาทองแล้วเขาก็หายหน้าหายตาไปจะไปพ้องร้องอกับใครก็ไม่ได้ผู้นั้นก็ตกทุกข์ได้ยากลำบากเลยบวะนี่บางคนกระแทบข่าตัวตายนี่ มันก็เกิดจากความรักอันตัวเดียวนี่แหละคิดถูให้มันเห็นถ้ากำจัดความรักอันนี้ออกได้เสียแล้วก็ไม่ต้องแสวงหาแล้วถือสันตุถีตามมีตามได้แล้วทีนี้ก็ได้แก่คนย่มพวกไหนแล่ะก็ได้แก่นักบวชนี่เองเนี่ยนักบวชนี่ ไม่แสวงหาแล้วเงินทองเข้าของราบยศสนเสริญอะไรท่านไม่เจตนาที่จะแสวงหาเลยมีแต่ประฤปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญานี่ไปเหตุเต็มความสามารถเพื่อกำจัดกิเลสตัณหาออกจากจิตใจนี่ให้มันหมดไปสิ้นไป เมื่อเมื่อทำความเพียรทำกิเลสตัไนหนาอ้อยเบาบางไปอย่างนี้ผลแห่งการละกิเลสที่มันถักเกิดขึ้นมาเองบัดนี้มันมันก็วันดานให้บุคคลผู้มีศรัทธาเลื่อมใสในพุทธศาสนานี่เห็นเข้าแล้วเกิดความนับถือเลื่อมใสขึ้นมายินดีในการอุปถัมภารุงบริจาคปัจจัยทั้งซี มีอาหารวินธบาทเป็นต้นมันเกิดเองได้แบบนี้นะไอ้ผู้ให้ก็ดีเมื่อเห็นปฏิปทาของท่านผู้ปฏิบัติมักน้อยสันโดษชอบสังงัดปรารบความเพียรละกิเลสในหัวใจให้เบาบางไปหรือหมดสิ้นไปอนไอ้เรื่องอย่างนี้นี่มันต้องเห็นด้วยตนเองนะ นั่นแหละจึงว่าฟังนั่นแหละฟังแล้วเอาไปคิดไปกลองดูเมื่อไม่คิดไม่กลองนวมองไม่เห็นทางหรอกผู้ใดน้อมเข้าไปคิดไปกลองแล้วก็มองเห็นทางได้แน่นอนเลยโดยเฉพาะนัก บ, บวดนี่นะเมื่อมองเห็นทางแล้วอย่างนี้เขาก็มีโอกาสได้บําเพ็ญเต็มที่เลย การบำเพ็ญสมนาธรรมนี่นะแปลว่าบำเพ็ญคุณธรรมเพื่อให้เกิดความสงบสุขทาง จ, จิตใจนี่นะคำว่าบำเพ็ญสมนาธรรมนะดังนั้นจึงไม่ควรที่จะโน้มใจไปทางเอื่นเมื่อเราได้บุญวาสนาทรงให้ได้มาบทเรียนเขียนอ่านในพุทธศาสนาแล้ว พวนพากันตั้งใจเรียนเรียนทำเรียนวิในให้ได้เรียนข้อวัดปฏิบัติให้รู้ให้เข้าใจเมื่อได้เรียนรู้แนวทางปฏิบัติแล้วก็ลงมือประพฤติปฏิบัติตามไปโดยความไม่ประมาทเพราะว่ากำลังกายยังมีแข็งแรงอยู่ โรคภัยอันร้ายแรงก็ยังไม่เบียดเบียน ร, ร่างกายอันนี้แล้วอย่างนี้เราจะปล่อยให้ร่างกายอันนี้มันทุดโทมไปเสียเปล่าๆทำไมเราก็สอนตัวเองเข้าไปอย่างนี้แหละก็พยายามเ่ยพยายามสอนตนเองเข้าไปเมื่อตนสอนตนได้มันก็ทำความดีได้มันก็ฝึกตนได้เท่านั้นเอย ถ้าตนสอนตนเองไม่ได้แล้วแม้ผู้อื่นจะสอนมันก็ไม่เอาตามไม่ทำตามอย่างนี้แหละมันมันมจิตใจมันไม่ชอบนี่จิตใจมันไม่พอใจแล้วมันไม่เอาตามแล้วไม่ทำตามเลยการที่มันไม่พอใจก็เพราะมันมองไม่เห็นด้วยปัญญา ท่านแสดงให้ฟังที่เหตุที่ผลอะให้ฟังก็ไม่เข้าใจอย่างนี้นะเมื่อไม่ไม่เข้าใจแล้วมันก็ทําตามไม่ได้ออมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงว่าการฟังนี่นับว่าเป็นสิ่งสําคัญไม่น้อยเหมือนกันนะยิงทีเดียวไอ้ผู้ที่พูดอยู่นี่ก็เห็นอานิสงส์แห่งการฟัง มาตั้งแต่ยังหนุม่มแน่นอาศัยฟังครูบาอาจารย์ท่านชี้แจงเหตุผลแนวทางปฏิบัติให้ฟังทนก็เอาไปคิดไปกลองพิจารณาก็เห็นรูเห็นทางแนวทางปฏิบัติไปเมื่อเห็นทางไปอย่างนั้นแล้วก็ลงมือปฏิบัติไม่ต้องชักช้ า, าทาความเพียรเพ่งพินิษไป ไม่ถอยไม่ถอยเอา้าธรรมดานี่เมื่อเมื่อเริ่มลงมือทําความเพียนไปอย่างนั้นน่ะมันก็ยุ่งยากลําบากไม่น้อยเหมือนกันแนะอุปมาเหมือนอย่างบุคคลจะทํานาทําสวนอย่างนี้นะใครละเขาจะไปปรับปรุงดินไว้ให้แล้วเมื่อก็ต้องไปบุกเบิกปา่าดงพงไพ่ฮอปรับปรุงดินให้มันเหมาะสมที่จะ ูพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆนี่เ ม, เมื่อเวลาบุกเบิกนมันแสนยากแสนลำบากเลยเพราะว่าต้นไม้ใบหญ้าอะไรมันมากมายดินก็ไม่ราบไม่เสมอต้องปรับให้มันเสมอกันไปดังนั้นจึงเหมาะสมในการปลูกพืชพันธุ์ต่างๆมีข้าวเป็นต้น จึงได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยข้อนี้ฉัน้นใดก็อย่างนั้นเลยพุทธศาสนิกชนควรพากันใส่ใจที่ยกรูปเปียบการทำความเพียรในพุทธศาสนาเหมือนอย่างบุคคลยกร่างทางพงต่างๆปลูกพืชพันธยาหานั่น เปรียบได้กับอุปมาเหมือนอย่างบุคคลผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี้เมื่อเริ่มลงมือปฏิบัติทีแรกมันก็ยากลำบากเพราะว่ากิเลสมันยังหนานแน่นอยู่ในใจก็จจำเป็นต้องได้ทำความเพียรเด็ดเดี่ยวถึงกับต้องอดนอนผ่อนอาหารช่วยด้วยไม่ใช่แต่จะไปเพ่ง ควบคุมแต่จิตใจอย่างเดียวเมื่อควบคุมจิตใจมันไม่อยู่แล้วมันจะรู้ออกนอกทางอยู่เนี่ยแล้วก็ฝึกกายนี่เข้าประกอบด้วยอดนอนผอนอาหารเข้าไปทมความเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิให้เข้มงวดเข้าไปไออย่างนี้แล้วนานไปกิเลสยำหยาบเหล่ยยาลนี้มันก็เบาบางไป จิตใจมันก็ส ง, งบลงได้เป็นครั้งเป็นคราวไม่ใช่ว่ามันไม่ส ง, งบเสียเลยไม่ใช่เมื่อเราทำความเพียรพิ้งพินิดไม่ถอยเราอดทนต่ออำนาจของกิเลสตัณหาที่มันรุกรานจิตใจนั่นอย่างนี้นะอดกันทนทานไปก่อนเมื่อเรายังไม่มีปัญญาแก่กล้าที่จะถอนรากของมันออกไป เมื่อเราอดทนสู้กันไม่หวั่นไหวอย่างนี้เมื่อใจเราเข้มแข็งพอกิเลสเหล่านะั้นมันก็อ่อนกําลังลงอืเพราะว่ากิเลสก็ใจนี่แหละเป็นผู้สร้างขึ้นเป็นผู้ปรุงแต่งขึ้นมามาดิเมื่อปรุงแต่งมันขึ้นมาแล้วมันก็ใช้อํานาจบาดใจบังคับจิตมันเป็นอย่างไรเรี่ยงมันนะเอา้าจิต เมื่อเห็นโทษของกิเลสเหล่านั้นแล้วก็สร้างสติสร้างปัญญาสร้างคันติธรรมให้เกิดขึ้นในใจแล้วก็สู้กับกิเลสบัด น, นี้นะเอ้ารู้อยู่แล้วว่าตนแต่ก่อนตอนประมาทได้สั่งสมกิเลสให้หนาแน่นขึ้นใน ใ, นใจมาบัด น, นี้รู้สึกตัวแล้วบัด น, นี้จะตั้งพร้อมสู้กับกิเลสไม่ถอย จนกว่าจะตายไปข้างใดข้างหนึ่งถ้ากิเลสไม่ตายก็ให้ตัวเองตายลงไปถ้าตนเองไม่ตายก็ให้กิเลสมันตายตั้งปณิธานในใจลงไปอย่างนี้เอาชีวิตเป็นเดิมพันเลยถ้าหากว่าประกอบความเพียนเด็ดเดี่ยวอย่างว่านี่เนะี่ยมันไม่เลวอวิสัยนะ กิเลสหยามๆยาบอันนั้นมันจะอ่อนกำลังลงจริงๆนะไปไหนมาไหนก็มีสติสำรวมจิตอยู่เสมออย่างนั้นตนทำจิตให้สงบเดือกเย็นอย่างไรอารมณ์ทั้งหลายระงับดับไปอย่างไรแล้วอย่างนี้ก็เมื่อออกจากสมาธิมาก็มีสติสมัญญาประคับประคองเหตดตัวอย่างนั้น ไม่ปล่อยให้จิตละเมอเพ้อฝันไปตามเรื่องต่างๆอารมณ์ต่างๆเหมือนอย่างเคยหลงเคยเมงมาแต่ก่อนอย่างนี้นะถ้าหากว่าเราไม่สำรวมตนเรื่อยไปอย่างว่านี่ไม่ได้ดอกเวลาจะไปเข้านั่งสมาธิภาวนาจึงจะไปเพียรละกิเลสอันนั้นทีเดียวเวลาไม่นั่งสมาธิภาวนาล้วปล่อยจิตให้ ปรุงแต่งไปทั่วอย่างนี้ไม่ไหวละมันไม่ได้ดอกให้เข้าใจเราต้องสำรวมจิตเลื่อยไปแหละก็เมื่อเหตุอะไดมาถึงเข้าเราพิยานานแล้ ว, ก, วลกำหนดละพิจารณาแล้วก็ละก็ปล่อยก็วางมันไปเรื่อยๆถ้าถ้าไม่ทำอย่างนี้แล้วมันก็ก่อกิเลสให้เกิดขึ้นแบบนี้นะ ม, มันก็ก่อให้กิเลสเกิดขึ้นในใจขึ้นมา ไม่ความรักกับความเกลียดชังหรือความหลงความเมาขึ้นมาแล้วเบื้องต้ น, นี้จิตก็ยึดอารมณ์มาได้หนึ่งไว้ก่อนอย่างนี้นะเมื่อไม่ละอารมณ์เหล่านั้นไม่ละเรื่องนั้นแล้วนานเข้ามันก็ฟักเป็นตัวกิเลสออกมาอย่างนี้แหละเมื่อเมื่อเป็นเป็นตัวออกมาแล้วยังเป็นตัวอ่อนอยู่กันน่ดหน่อยนะ เราเพียงละมันก็ยังง่ายน้อยถ้าหายมันกลายเป็นตัวแก่ขึ้นมาแล้วละมันยากแล้วทีเนี้ละยากมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอ ย, อย่าให้มันเป็นตัวแก่ขึ้นมาเราต้องพยายามขจัดมันไปเรืเ่อยๆเรารักษาจิตใจที่เป็นปกตินั้นไว้ได้ให้สม่ำเสมอไป อย่างนี้น ะ, ะการบำเพ็ญทางจิตใจนี่มันเป็นอย่างนี้แหละเราจะไปนึกว่าทำความเพียรไปธรรมดาธรรมดาไปแล้วจะให้ใจมันสงบลงจะไม่ให้มีกิเลสอะไรมาต้านทาน จิตใจนี่อย่างนี้ไม่ได้อให้เข้าใจกิเลสนี่แหละเป็นค่าศึกของชีวิตจิตใจนี่เรามันอยู่ในที่รอมของค่าศึกคือกิเลสนะอือทุกวันนี้ให้คิดอย่างนั้นเราเผลอไม่ได้พเพราะเผลอตัวละกิเลสมันก็เล่นงานเอาเลยนี่มันเป็นอย่างนั้นดังนั้น ทุกคนให้ปฏิบัติตามที่แนะนำนี้ไม่ว่าคารือหัดไปว่านักบวชเหมือนกันทั้งนั้นแหละคารือหัดถ้าไม่มีสติสำมรวมจิตใจเมื่อก็ไปสร้างกิเลสยังหยาบอย่ายงหยาบไม่ใช่เกิดขึ้นมาแล้วก็ไปทำบาปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกลาม่าวมุสาวาดื่มสุ ร, ราเมลยัยกัญชายาฟินเฮโรอีน เนี่พโทษที่ไม่สำรวมระวังไม่รักษาจิตใจให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณมันก็น้อมไปทางบาปอากุศลเหล่านี้มันก็ใช้กายทำใช้วาจาพูดในทางที่มันเป็นบาปเป็นกรรมนั่นเองนะเพราะฉะนั้นนะขอให้พากันพิจารณาดูให้ดีชีวิตนี้นะ มันทนทุกข์ท ร, รมานมาด้วยอำนาจของกิเลสราคะโทสะโมหะนี่มันเผารนเอาให้เทียวเกิดเทียวตามมาในสงสารเนี่ยขนา น, านับชาติไม่ท้วนแล้วนะให้พิจารณาให้มันเห็นแล้วเมื่อมาในชาตินี้เรามาได้พบพุทธศาสนาอย่างนี้นะแล้วเรายังเกยยอมตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาเหล่านั้นอีกอยู่หรือ ในเมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงแนวทางปฏิบัติเพื่อสั่งสมอาวุธยุทธภัณฑ์คือบุญกุศลหรือสติปัญญาให้มากขึ้นแล้วเพื่อจะได้กำจัดกิเลสนี้ออกไปนี่นะแล้วเมื่อผูใ้ใดไม่ลงมือปฏิบัติไม่ลงมือทำ ไม่ ส, งมส่งสมอาวุธคือสติปัญญาหรือบุญกุศลต่างๆให้มากขึ้นในใจอย่างนี้มันก็สู้อำนาจกิเลสไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นให้เข้าใจเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วมันก็ไม่มีปัญหาอะไรการที่บุคคลลงมือปฏิบัติตาม ด้วยความเต็มใจอย่างนี้บุญกุศลมันย่อมเจริญรุ่งเรืองขึ้นในจิตใจของผู้นั้นโดยแท้จริงดังแสดงมา